ทำโน่นทำนี่จนกลายเป็นธรรมดาในโลกว่าคนเรานี้ต่อเมื่อมีทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคามจึงลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวายพอสุขสบายก็นอนต่อไปที่นี้เมืองไทยเรานี้มีสภาพที่เป็นเรื่องของความสุขสบายมากและพระพุทธศาสนาก็สอนวิธีปฏิบัติที่ช่วยให้เราทำจิตใจให้สบายมีความสุขได้ง่ายด้วย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 เพราะฉะนั้นวันนี้ที่พูดมาทั้งให้สุขสบายและไม่ประมาทก็ตามให้รู้เรื่องร้ายด้วยจิตใ จ, จที่ปลอดโปร่งผ่องใสก็ตามเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมทั้งสิน้นโลกนี้ที่ว่าสิวิไลนักหนาแต่ปัญหาลทัทธิศาสนาและเผ่าพันธุ์ก็ฆ่าฟันรบ ก, กันไม่จบสิน้น